สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู ต, ตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับทรัพย์สมบัติตอนที่สามที่จริงแล้วเรื่องราวของทรัพย์สมบัตินะครับพระเยซูได้สอนไว้เยอะแยะในพระคัมภีรก็มีตัวอย่างมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้จะขอเป็นหัวขสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัตินะครับและเมื่อไปถึงคําสอนของพระเยซูตอนอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติผมก็จะได้มีโอกาสพูด ลำดับต่อไปนะครับผมอย่างยุคเรียมเษธีครับที่เป็นเศรษฐีหนุ่มมีความรู้มีวิชาการครับเขาไปหาพระเยซูก็บอกว่าพระเจ้าคข้าพระเจ้าต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะทําอะไรที่ให้พร้อมทายพระเจ้ามากกว่านี้พระเยซูก็บอกเขาว่าก็ไปทำนู่นทํานี่ทาอะไรอย่างเขาบอกว่าทำหมดแล้ว ถาว่าบัรยักษของโมเสสถือได้อย่างครบถ้วพนพระเยซูบอกว่ามีอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ไปขายสมบัติทิ้งเสี้ยนแล้วต่างลงมาใช้หลุ่มเศรษฐีคนนั้นนะครับก็ออกไปแล้วก็ไปเป็นตุกับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดใจออกไปัพย์สมบัติที่เขามีอยู่ได้พี่น้องครับที่จะเรียนมีค่าทีอย่างไรต่อทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองนะครับมีหลายคนบอกว่าทรัพย์สินเงินทอง เป็นของนอกกายนะครับเด็กๆผมจำได้ครับตอนดูหนังเรื่องป่าบุญจีนะครับเขาจะบอกว่าลูกแก้วเมียขวัญเป็นสมบัติที่แท้จริงนะในขณะที่ทรัพย์สินเงินทองกเป็นของนอกกายนะครับลูกแก้วเมียขวัญเป็นสมบัติที่แท้จริงเด็กๆนั้นพอเราได้ยินคนํานี้ก็ฝังจิตฝังใจนะครับแล้วรู้วนะ่าลูกครอบครัว นะครับภรรยาคนในครอบครัวเนี่ยเป็นสมบัติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงสําหรับเราเมื่ออยูมากขึ้นก็พบว่าเป็นความจริงครับพี่น้องครับทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายแต่ เ, เรื่องที่จะต้องสร้างและสรรหาแต่การได้มาทรัพย์สินเงินทองได้มามากน้อยแค่ไหนได้มาเพื่ออะไรนั้นย่อมขึ้นกับคุณสมบัติและคุณภาพภายในของเรา นะครับเครื่องเตือนจะร่ำรวยโดยไม่รักเงินทองได้หรือไมพื่พอนีภาคพันธุยาเเดิม น, นะครับว่าบรรดาผู้ที่มีความเชื่อบรรจุนชนแห่งความเชื่อหลายแต่และคนแต่และท่านเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยมีฝูงปศุสัตว์ใหญ่โตนะครับมี แ, แอะแอกวัวอูดรวมทั้งพืชผลทางเกษตรอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงที่ดินด้วยครับเพราะว่าจํานวนที่ดินหรือการครอบครองที่ดินนั้นแสดงถึง สถานภาพทางสังคมครับพี่น้องครับถามว่าที่จะเรียนจะร่ำรวยโดยไม่รักเงินได้หรือเมื่อสกูนี้หลรงครับว่าเงินทองเป็นของนอกกายดังนั้นความร่ำรวยก็เป็นของนอกกายเป็นเรื่องที่ต้องช่าต้องสัรหานะครับจะได้มามากล้อยแค่ไหนอย่างไรได้มาเพื่ออะไรขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นกับคุณสมบัติท่าทีนะครับภายในของกฎข้อนั้น ทิศเตียงที่ร่ำรวยก็อาจจะหากินกับทิศียงด้วยกันเองหรือการที่จะถวายบาปหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยก็หวังผลประโยชน์ตอบแทงทั้งในเชิงการค้าเชิงพาณิชย์ทั้งในด้านแผ่อิทธิพลอำนาจชื่อเสียงเกียริยยศนักธุรกิจทิศเสียงบางคนพูดอย่างนี้ครับว่าถ้าผมทําธุรกิจนี้ได้ผมลงทุนครั้งนี้ได้กำไรผมก็จะถวายสิบรถฟังดูเผลอๆนะฮะก็ฟังดูดีครับ แต่ถ้าดูลึกๆแล้วคิดครอบๆแล้วไม่ดีเพราะว่านี่เป็นการค่าความใจเกินควรครับการลงทุนทั้งนี้เขากลัวภาดก็เลยตั้งเงื่อนไขพระเจ้าว่าถ้าหาได้กําไรก็จะถวายสิบรถเขาคิดว่าเขาเองสำคัญยิ่งใหญ่ก็เลยต่อรองกับพระเจ้าหรือติดสินบนพระเจ้าเขาคิดว่าพระเจ้าคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเงินครับคนอย่างเนี้ยครับเป็นคนที่มีพระเจ้าและใช้พระเจ้าเพื่อเสริมบา ร, รมีของตัวเอง เสริมศักดิ์ศรีเกียรติยศของตัวเองเสริมอำนาจความมั่งคั่งของตัวเองการถวายจึงเสมือนการให้ทิพย์พระเจ้าและการติดสินบนพี่นงครับการที่เราถวายนะครับต้องรู้ว่าเราไม่ได้เป็นการเอาเงินทองโยนขึ้นฟ้าทูตสวรรค์ก็เหาะลงมารับเงินไปแต่เราถวายพระเจ้าเพื่อใช้ใจเงินนั้นด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆโดยเป้าหมายสุดท้ายก็คือขยายแผ่นดินของเจ้าการประกาศควาเป็นเสือการระกาศพระกิริกุลนะครับ เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือนะครับเป็นการช่วยเหลือฝ่ายยุ า, ก า, ายยนการถวายครับเพราะฉะนั้นพระเจ้านะครับทรงถือว่านี่คือเรื่องราวฝ่ายยุนยานเป็นการทำสมทัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์นะครับ mm hmm. พระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบเก้าข้อยีสบเอ็ดครับพียงครับการที่เศรษฐีนะจะช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันและจ่ายให้คนอื่นที่เป็นเพื่อนรุ่นด้วยกันนั้นก็ยากมากเพราะว่ า, ก, ากว่าเขาจะเป็นเศรษฐีผู้นั้น ในใช้ความพยายามความสามารถเยอะๆลงทุนเพื่อแสูงทางกาไรหาผลประโยชน์ทางตรงทางอ้อมนะครับบ า, รบางคนเศรษฐีบางคนก็คดโกงจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะด้วยวิธีการต่างๆกว่าจะได้เป็นเศรษฐีและจะให้เขาเนี่เอาทรัพย์สินเงินทองไปกลับไปแจกจ่ายเพื่อใช้จ่ายได้ง่ า, งายๆหรือพื่อช่แนะนําว่าเศรษฐีนั้นก็ยากครับเพราะอะไรครับก็เขาเป็นทุกนะจิตใจที่เป็นย่างจิตนั้นผูกพันอยู่ความเชื่อที่ว่า การให้การขอโทษการรับเป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการให้พวกนี้นะครับคือคิดอย่างเดียวคือกอบโอนคนเหล่านี้เชื่อว่าครับสินเงินทองเป็นแหล่งและเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นตัวกรรําหนดวิถีชีวิตที่ดีพี่น้องครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับความมั่งคั่งร่ารวยไม่ได้เกิดจากองค์ปรกอภายนอกเป็นสถานเดียวแต่เกิดจากคุณภาพภายในของคนคนนั้น นี่แหลครับทำให้เราเห็นว่าความมั่งคั่งรํารวยนั้นเป็นทั้งของบัตรทาและเป็นตารังครับเป็นความสามารถของผู้นั้นที่พระเจ้าให้เขามาเป็นความอดทนเป็นความประหยัดเป็นสติปัญญาเป็นไหวทิพเป็นความกล้าหาญการตัดสินใจรวมทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนี่ครับคือสิ่งที่พระเจ้าได้ปัตรทาให้กับเขานะครับทั้งนี้ตรงนี้นี่ไม่ได้รวมถึงคุณสมบัติและคุณภาพฝ่ายยานครับถ้าเป็นคุณสมบัติและคุณภาพฝ่ายญาณ คนนั้นที่เขารวยเขาจะต้องเอาความรวยนั้นมาปนบัพระเจ้าครับนะครับถ้ายิ่งเขาปนบัตระเจ้ายิ่งเขาถวายมากเงินทองก็จะไหลกลับมานะครับบางคนบอกว่าก๊อกนะครับเงินทองจะไหลออกมาจากก๊อกแห่งพันธสัญญาเพื่อ ง, งานของมาเจ้าทําให้คนเป็นอัจฉาิได้ยินได้ฟังว่ากิตติคุณนําไปถึงการรับเชื้อพระเจ้าเป็นสาวกนะครับเรียกว่าเกิดผล เพราะเกิดมาครับพระเจ้าประทานให้เป็นเศรษฐีมีตังค์แต่ต้องรู้จักใช้ตังค์นะครับหรือใช้ความวมั่งคั่งมั่นรวยนั้นให้เกิดผลในแผ่นดินของพระเจ้าครับนะครับในยอนห์นบทที่15ข้อที่1ถึงข้อ7เพราะว่าเกิดผลมากนะครับใครที่เกิดผลมากจากสิ่งที่มีอยู่นะครับซึ่งถึงขอประทานกัจ้าเขาต้องสำลึกและตระหนักตลอดเวลาครับว่าสิ่งที่มีในวันนี้นั้นมาจากพระเจ้าและเขาจะให้ด้วยความชื่นชมยนดีนะครับ พี่น้องครับถ้าทีที่ผิดในในชีวิตของพวกเรานะครับซึ่งเป็นคนที่ใช้เงินนะครับถ้าทีที่ผิดนะครับเกี่ยวเรื่องเงินทองทรัพย์สินนั้นก็คือประการแรกครับเรามีความคิดหรือเรามีความรู้สึกว่าคนเรานั้นต้องอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นเงินเป็นที่มาของอินสปอลและอำนาจนะครับเงินง้างได้ทุกอย่างนะครับเงินนะครับอำนาจเงินเนี่ยใช้ออกไปนะครับรับรองครับมีคนที่มีเป็น ประวัณนาตัวมาเป็นค่าท่าบริวารเยอะแยะนะครับคนเราอยู่ในสังคมนี่เป็นความคิดที่ผิดครับคนเราต้องมีอิทธิพลมงอนาจในเงินเนี่ยความคิดที่ผิดนะครับสมัยหนึ่งครับคนไทยเรามีทำขวัญทบงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขครับนี่ผมครันะครับคำว่าเงินคืองานแล้วก็งานคือเงินแล้วก็สุดท้ายก็คือทั้งเงินทั้งงานครับบรรดาลความสุขนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ แท้จริงแล้วก็ถูกนะครับส่วนหนึ่งครับแต่ผิดอี่ส่วนหนึ่งครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเงินนะครับไม่ได้เป็นที่ที่ให้เกิดความสุขได้อย่างเดียวนะครับแต่ในทางกลับกันครับเงินนะครับก็บรรดาลให้เกิดความทุกข์ครับนะเงินบรรดาให้เกิดความทุกข์เงินทําให้เกิดธุรกิจผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดโซเปนี นะครับทาวุตสงทามน้ำมันเถื่อนหวยพนันบอลบอลการงนั้นทั้งหลายเนี่ยครับคือเงินทั้งนั้นใช่ไหมครับเงินนั้นทําให้เกิดความทุกข์ใคหลงเข้าไปอยู่ในอัอบมบายนุกเหล่านี้ก็เกิดความทุกข์ทั้งสิ้นครับพี่น้องครับอันที่สองนะก็คือคนที่ชื่อสัตว์คือคนงูอันนี้เป็นความคิดความเชื่อผิดๆนะครับที่เดียวข้องกับเงินทองถ้าเราในโลกปัจจุบันนี้เรามายึดนะครับความชื่อสัตว์อยู่ นะก็จะ ย, ยากจนครับประจบงอหงอยจะอยู่ในสังคมทุกวันนี้ได้ไงนะครับอุดมการณ์กินไม่ได้นะครั บ, รนะนะรบนี่คือความคิดที่ผิดนะฮะความคิดที่ผิดก็คื อ, คอเราคิดว่าความชื่อสัตว์หรือคนที่ชื่อสัตว์นั้นก็คือคนโง่เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติปัญญาครับเราต้องมีการถ่ายทอดการโกงนะครับด้วยวิธีที่แยากจนวิธีการที่ซิกแซกการกินตามน้ําทวนน้านะครับ ครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรือจ้างสมชื่อทอดสอนเพื่อค่าจ้างและรับจ้างสอนสีบานบางคนนะครับก็เป็นอาชีพนะครับเจตนาเพื่อค่าจ้างทํางานขี้เตียจเพื่อค่าจ้างคนเหล่านี้สจะซื้อต่อกฎหมายแรงงานดีมากครับเพราะเมื่อมีปัญหาจะพว้ากฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมมาอ้างแล้วก็ฟ้องร้องนะครับนี่คือคนที่มีสติปัญญาในสายตาของโลกแต่ไม่ได้อยู่ในสายพันธุ์ของพระเจ้าครับโปรดอย่าลืมว่าความมั่งมีร่ำรวยเงินทองนั้นไม่ใช่ความบาปครับ มีตัวอย่างเห็นอยู่เยอะแยะมากมายนะครับในพระคัมภีร์เดิมว่าเมื่อใดที่ผู้นั้นเชื่อฝังพระเจ้าแล้วพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรมานะครับให้เป็นคนที่ร่ารวยเป็นคนที่มีมากกว่าคนอื่นเพื่ออะไรครับเพื่อที่เขาจะได้ใช้สิ่งที่เป็นของพระทานนั้นในการดูแลนะครับดูแลประชากรของพระเจ้าดูแลงานของพระเจ้าต่อไปนะครับพี่น้องครับอับราฮัมนะครับโยบนะฮเป็นคนรวยครับโซโลมอนนะครับก็เป็นกระตับที่รวยที่สุดนะครับ พวกคนเหล่านี้ครับเมื่อเขาทูลขอสิติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อการปกครองดูแลประชากรของพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานให้พร้อมกับความมั่งมั่งทางนียครับอันนี้สามครับสุดท้ายครับนะครับอันที่แนหนึ่งนะครับก็คือเรามักจะคิดว่าหรือคนไม่คิดว่าเราอยู่ในสังคมต้องมีทุนเมียมากนีดหนึ่งอันนี้เป็นความก็จะผิดนะครับอันที่สองนะครับก็คือว่าความชื่อสัตว์หรือคนชื่อสัตว์นั้นคือคนโง่นะครับอันที่สามครับคนยากจนนะครับ คนยากจนเป็นคนที่ไ ร, ร้สติปัญญาหรือล้มเหลวเป็นทางการสังคมเขาจะมองนะครับว่าถ้าเรายากจนหรือใครยากจนเนี่ยครับก็ ค, บคือ<ด>ชีวิตไม่ประสบความสําเร็สครับชืวิตเขาเนี่ยล้มเหลวนะดูอย่างชันี่ฉันร่ารวยฉันประสบความสําเร็จครับฉันได้ไปถึงเป้าหมายนะครับไปยืนอยู่ที่บริเวณที่ฉันเคยปักธงมาก่อนนี่คือสิ่งที่หลายหลายคนเข้าใจผิดนะครับแกเป็นคนจนเพราะฉะนั้นแก่ก็ เจ็บป่วยไม่สบายไปแกก็โง่ไปนะครับแกก็จนไปนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นวงจรแห่งความไม่ดีนะครับเจ็บก็คือเจ็บป่วยครับจนก็คือยากจนครับโง่นะครับก็คือไม่รู้นะครับเนี่ยครับคือสิ่งที่สังคมบอกว่าคนเราเนี่ยครับเป็นคนโง่นะครับคนจนเป็นคนโง่คนที่ซื่อสัตด์เป็นคนโง่คนจนเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จ นะครับคนชื่อสัตว์ก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับใครชื่อสัตว์ก็ยังเป็นคนโง่อยู่เราอยู่ในสังคมต้องมีอิทธิพลเยมากมีเงินพี่น้องครับนี่คือความเขา้าใจกันทังสิน้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับใน ว, วันนี้ที่เราจะตัดสินใจ ค, ครับว่าเราจะทํำไงกับเงินทองที่เรามีอยู่หรือเราทำไงนะครับกับอนาคตของเราที่เราจะไม่เอาเงินทองมาเป็นเป็นเจ้านายของเราเราจะไม่เอาเงินทองมาเป็นเจ้านายพร้อมกับ พระเจ้าแต่ในทสุดนั้นเราจะต้องเป็นขทาบของพระเจ้าเป็นทาาทาบของพระเจ้าแล้ก็เป็นเจ้าหนายเหนือนเงินทองผัดขอพระเจ้าช่วยเหลือและสรงภาพนำพระพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของพี่น้องทุกท่านอาเมน